بسم الله الرحمن الرحيم ت س ج ي ل ا ت ابن خ ط ا ب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامض الشريط العاشر ويحتوي على س و ر الحج المؤمن النور والفرقان ن ع ن ب و الحج ب و الحج بن بنانيا มีเจ็ดสิบแปดโค์งการโดยกล่าวถึงด้านต่างๆของการตราพระบัญญัติเช่นเดียวกับบทมาดณนิะอื่นๆซึ่งให้ความสนใจทางด้านนี้ทั้งๆที่บทนี้เป็นบทบาดณานิะแต่ท้ว่าบรรยากาศของบทมักกียะได้เข้าครอบงาอยู่มิใช่น้อยยังมีเรื่องการศรัทธาการให้ความเป็นเอกภาพการตักเตือนการฟื้นคืนชีพการตอบแทนและสภาพของวันกียมา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 จนกระทั่งนักวิชาการบางท่านถือว่าเป็นบททั้งสองประเภทคือเป็นทั้งมาดานิยะและมักเกียบทนี้ได้เริ่มอารามบทด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่รุนแรงที่น่าสะพรึงกลัวทำให้ใจิตใจสั่นสะเทือนอกสั่นขวัญหายนั่นก็คือสภาพของแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงซึ่งจะเกิดขึ้นในวันอวาสานของโลกความบาดกลัวจะตวียิ่งขึ้นในความลึกคิศของมนุษย์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 ท้งนี้เป็นการชี้แจงทึงแนวทางของอัลลอ์ในการประกาศเผยแพร่และให้ความอบอุ่นใจกับบรรดามุ穆ิมถึงบั้นปลายที่พวกดทนทั้งหลายจะได้รับในตอนสุดท้ายของบทได้ยกอุทาหรณ์ในการขอรบสการะรูปปัน้นเจวิตของพวกปฏิเสธศรัทธาโดยชี้แจงว่าสิ่งที่ถูกสการะหรือพวกจเจวิตเหล่านั้นไม่มีความสามารถ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 เพาเพื่อเป็นการรำลึกถึงท่านนาบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามขณะที่เสร็จสิ้นจากการสร้างอัลกับะและได้เรียกผู้คนไปทำหัจญะไบตุลลอฮ์อัลหระรบบรรดาขุนเขาก็ยอมนอบน้อมจนกระทั่งเสียงเรียกร้องของท่านได้ยินไปทั่วทุกสารพิตแม้กระทั่งผู้ที่อยู่ในกระดูกสันหลังของชายและในมดลูกของหญิง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 ว, ว่าจะวางทุกดาติพันลิมพัมเล่าว่าหรนนัสสุคาระว่ามหุมบุคาจะว่นมหุ ม, มทุกคนจะวตต่าแต่การสี่งที่นาน้างกาลังให้ขอกพละเจ้ และหญิงตั้งคันทุกคนจะคลอดลูกที่อยู่ในคันของนางออกมาและเจ้าเจนมนุษย์ในสภาพมึนเมาทั้งั้งที่พวกเขาม่ได้เมาแต่เพาว่าการลงโทษของลอร์นั้นรุนแรงยิ่งนะักและในหมู่มนุษย์นั้น บางคนจะโต้เถียงในเรื่องของอัลลอฮ์โดยปราศ จ, จากความรู้และเขาจะปฏิบัติตามชัยตอนทุกตัวที่ดื้อรั้นได่มีกำหนดไว้ว่าแท้จริงผู้ใด ย, ยึดมั่น ใชยตอนเป็นมิตรสายแล้วแน่นอนมันจะทำให้เขาหลงท่านและนำไปสู่การลงโทษที่มีเปลวไฟลุกโชน ثم من ع ل َ ق ة ثم من ع ل َ ق ة ثم من مضرة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في ا ل أ ض ح ا مما نشاء إلى نخرجكم طفلا ثم لتبلغ و ا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أضل العمر كي لا لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى ا ل أ ر ض هامدة فإذا أنزل ا عليها الماء ت ز ت وربت وأنبتت وأنبتت من كل زوج بهيج โอ้มน <cin measurements> ุษย์เอ๋ยหากพวกเจ้ายังอยู่ในการสงสัยเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพแล้วไซ่แท้จริงเราได้บังเกิดพวกเจ้าจากดินและจากเชื้ออาุจิ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 และในหมู่พวกเจ้ามีผู้เสียชีวิตในวัยหนุ่มและในหมู่พวกเจ้ามีผู้ถูกนำกลับสู่วัยอันต่าต้อยวชราเพื่อเขาจะไม่รู้อะไรเลยหลังจากเคยมีความรู้และเจ้าจะเห็นแผ่นดินแห้งแลง้งครั้นเมื่อเราได้น้าฝนหลั่งลงมาบนมันมันก็จะเคลื่อนไหวขยายตัวและพองตัวและงอกเหอยออกมาเป็นพืชทุกอย่าง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 และในหมู่มนุษย์นั้นบางคนจะโต้เถียงกันในเรื่องของอลัลลอฮโดยปราศจากความรู้และโดยปราศจากแนวทางที่ถูกต้องและประาศจากคำพีที่มีหลักฐานอันชัดแจ้ง เราจะเอี่ยวตัวเขาไปอย่างยะโสเพื่อให้ผู้คนหลงจากทางของอัลลอฮ์สำหรับเขาจะได้รับความอัปยตในโลกนี้และเราจะให้เขาลิมรสการลงโทษที่มีไฟลุกไหม ในวันรล่นเพราะว่ามือทั้งสองของเจ้าได้ทำไวและแท้จริงอัลลอ์นั้นจะไม่ทรงธรรมต่อพวกบาปนเพาว่ามืั้งสองของเจ้าได้ทำไวและแา้จรฟงอัลอฮ์นั้นจะไม่ทรงกระทำ่อพนบาป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 แทาจริง a ล l a h ทรงให้บรรดาผู้ศรัทธาและผู้กระทำความดีทั้งหลาย เข้าสวนสวรรค์อัลากหลายณะเบื้องล่างของมันมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านแท้จริงอัลลอ์นั้นทรงกระทําสิ่งที่พระองค์ทรงประสมมงค์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 ส่งประสมอินนั้ลเดี๋ยนอามะนูวัลเดี๋ยนอหัดูอัลซัตตีนวัลนซาระวัลมจูสวัลมจูสวัลเดี๋ยนอชรตูสอินนัลลอฮะเยสซ์น์เบียนห์มิยูมันกิยามะอินนัลลอฮะอัลลัคุล บรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาชาวยิวและพวกกราบไหว้ดวงดาวและชาวพิทและพวกบูชาไฟและบรรดาผู้ตั้งภาธีแท้จริงอัลละฮ์จะทรงตัดสินระหว่างพวกเขาในวันพระโลกแท้จริงอัลอฮนั้นจะทรงเป็นพยานแก่ทุกสิ่ง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 เ AH จ้าไม่ได้เห็นหรือว่าแท้จริงอัลลอ์เท่านั้นผู้ที่อยู่ในบรราดาชั้นฟ้าและผู้ที่อยู่ในพันดินและดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายและภูเขาทั้งหลายและต้นไม้และสัตว์ خر, ทั้งหลายและมนุษย์ส่วนมาก ต่างก็กราบนอกน้อมต่อพระองค์แต่ส่วนมากการลงโทษจะเหมาะสมคู่ควรแก่เขาและผู้ใดที่เอาลอทรงทำให้อับยศก็จะไม่มีผู้ใดให้เกียรติเขาแท้จริงอัลลอ์นั้นทรงกระทำสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ <world>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 พวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษ ท, ที่มีไฟเผาเถิด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 และพวกเขาจะถูกนาสู่คำพูดที่ดีมีประโยชน์และจะถูกนาสู่ทางที่รับการสรรเสริญคือสวนสวรรค์。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 و َ إ ِ ب ْ و َ أ ْ ن َ ا ل ِ إِبْرَاهِيمَ م َ ن ك َ ا ن َ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِشَيْءٍ و َ ط َ ه ِ ر الْبَيْتِ ل ِ ل ط ا ئ ِ ف ِ ي ن َ و َ ط َ ه ِ ر الْبَيْتِ ل ِ ل ط ا ئ ِ ف ِ ي ن َ وَالْقَائِمِينَ وَالْضُكَعِ ا ل س ُّ ج ُ و د <تصفيق> ِ ل َ ن م ل ك ْ ت م ُ م َ و ل ج ن َ ا ن ا ل ب ي คืออัลกบบาแกอิบราฮิมว่าเจ้าอย่าตั้งพาคีใดๆต่อข้าเลยและจงทําบ้านของข้าให้สะอาดสำหรับผู้มาเวียนรอบผู้ยืนละหมาดผู้ดุกวัวและผู้สุญูดผู้ปฏิบัติละหมาด ي ي ين ين และจงประกาศแก่มนุษย์ทั่วไปเพื่อการทำแหลและพวกเขาจะมาหาเจ้าโดยทางเท้าและโดยทางปูทุกตัวจะมาจากทางไกลทุกสารทิศ ل ي ش ه د و ั من ف ร ل ส م و ลล ك ر سن الله ย ي ايام ا ل ลูมา م ิ ت ع ลา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 ดังนั้นพวกเจ้าจงกินเนื้อของมันและจงให้อาหารแก่ผู้ยากจนขัดสนแล้วให้พวกเขาทำความสะอาดาโดยการโกนหรือตัดผมและให้พวกเขาทำให้ครบถ้วนในเรื่องบนบานทั้งหลายของพวกเขาและจงให้พวกเขานั้นต่อวารฟเดินเวียนรอบบ้าน อันเก่าแก่นั้นแหละและผู้ใดให้เกียรติต่อข้อห้ามทั้งหลายของอังงลลอฮ มันก็เป็นการดีแก่เขาหน้าที่พระผู้อวิบาลของเขาและประสุสัตทั้งหลายได้เป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้าเหมือนแต่บางสิ่งที่ถูกบอกกล่าวไว้แก่พวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงปลี่ตัวออกจากความโสมมซึ่งหมายถึงเจเวัวทั้งหลายและจงออกห่างจากการกล่าวคำเท็จ اللَّاهِ โดยเป็นผู้ยึดมัน่นความจริงเพื่อ Allah ไม่เป็นผู้ตั้งพาขี่ใดๆตอบปรงุง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 แท้จริงมันเป็นส่วนหนึ่งแห่งการยำเกรงของจิตใจในปัสุศัตว์เหล่านั้นมีคุณประโยชน์มากลายสำหรับพวกเจ้าจนถึงเวลาที่กำณหมดว้และสถานที่เชื่อของมันคือบริเวณบ้านอันเก่าแก่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 ف ف ل ل ل และอุทธิวัลสมบูรณ์นั้นเราได้กำหนดมันให้มีขึ้นสำหรับพวกเจ้าโดยถือเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาเครื่องหมายของอลลอเพราะตัวมันมีของดีสำหรับพวกเจ้า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 เَ ن ันละอ ل ลَّ ال ه َล حومها ولا دماءها ولكن ولكن يناله التقوى منكم كذلك ال سخرها لكم لتُكَبِّرُ الله على ما هداكم وبشّر المحسنين เนื้อของมันแลวเลือดของรัญจะไม่ถึงอัลลอะ์ต่อย่างใดแต่การยำเกรงของพวกเจ้าจะถึงพร้ เช่นนั้นแหละเราได้ทําให้มันยอมจำนวนต่อพวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้ความเปลี่ยนไกรต่อรอในการที่พระองค์ส่งชีแนะแก่พวกเจ้าและจงแจ้งข่าวดีนแก่บรรดาผู้ทําความดีเถิดแท้จริงอล็รอดทรงปกป้อง บรรดาผู้ศรัทธาให้พ้นจากศัตรูแ้้จริงอลัลลอฮ์ไม่ทรงโปรดปรานทุกคนที่ทรยศแน่นลลดักลุ ล, ล, ส, ล, กลสำหรับบรรดาผู้ที่ถูกโจมตีนั้นได้รับอนุ ญ, ญาตให้ต่อสู้ได้เพราะว่าพวกเขาถูกกมเห็ง และแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงสามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้อย่างแน่นอนอ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 อัลลอ์คือพรบผู้อภิบาลของเราเท่านั้นและหากว่าอัลลอ์ทรงขัดขวางไม่ให้เอมนุษย์ต่อสู้ซึ่งกันและกันแล้วบรรดาหอสวดและโบสถ์ของพวกคริสต์และสถานที่สวดของพวกยิวและมัสยิดทั้งหลายที่พระนามของอัลลอฮ์ถูกกล่าวอย่างมากมายในนั้นต้องถูกทำลายลงอย่างแน่นอนและแน่นอนอัลลอฮ์ะจะทรงช่วยเหลือผู้ที่สนับสนุนาศาสนาของพระองค์ แท้จริงแล้วเป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงเดชาลุภาพอย่างแท้จริง บรรดาผู้ที่เราให้พวกเขามีอำนาจในแผ่นดินคือบรรดาผู้ที่ปฏิบัติละหมาดและบริจาคสกาศและใช้กันในการกระทำความดีและพรามกันให้ละเว้นความชั่วและบัรนปลายของกิจการทั้งหลายนั้นย่อมกลับไปหาอัลลอสซุบฮานะฮูวตาลา ي ي และหาพวกเขาพวกปฏิเสธชาวมักกะปฏิเสธไม่ยอมเชื่อฟังเจ้าแท้จริงกลุ่มชนของนัวและอารและสมูรได้เคยปฏิเสธไม่ยอมเชื่อฟังนบี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 ปิเสธศรัทธาแลวเราก็ได้ลงโทษพวกเขาแล้วเป็นเช่นใดเล่าการลงโทษของเราพร้าอิมมิม้านที่อัลฮุส وهي ظالمة فهي خاوية على ع ر ش ه ا و ب ئ م معطلته وقصر مشيد ฉะนั้นที่ตาบลมาแล้วที่เราได้ทาลายมันโดยที่ชาวเมืองนั้นเป็นผู้อาร และมันได้พังภาพลงมาและกี่บ่อ น, น้ำแล้วที่ใช้การไม่ได้และกี่ปราสาสูงที่มั่นคง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 และพวกเขาได้เร่งเราให้มีการลงโทษแต่ว่าล้อ น, นั้นจะไม่ทรงผิดสัญญาของพระองค์เป็นอันขา และแท้จริงวันหนึ่งณนะพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นเท่ากับหนึ่งพันกีตามที่พวกเจ้าคำนวณนับและกีตำบลมันแล้วเราได้ประวิงเวลาการลงโทษมันโดยที่ชาวเมืองนั้นเป็นผู้อาธรรม แล้วเราได้ลงโทษทำลายมันและยังเรานั้นคือการกลับไปจงกล่าวเกิดมูฮัมมัดว่าโอ้มนุษย์เอ๋ยแท้จริงฉันนั้นคือผู้ตัเกเตือนอันชัดแจ้งแก่พวกเจ้าเท่านั้น ال ดังนั้นบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับการอภัยโทษและปัจจัยอย่างชีพอันมีเกียรติ บรรดาผู้ที่เพียรพยายามอย่างไร้ความสามารถเพื่อลบล้างองค์การทั้งหลายของเรานั้นชนเหล่านั้นคือชักมนรก S <S <S แลลลอออออู่มมมมาายุุุุกกิชชนตวะเราไม่ได้ส่งเรอซูลท่านใดและนบีท่านใดมาก่อนหน้าพวกเจ้าเว้นแต่เมื่อเขาหวังว่าชัยตอนจะเข้ามายุยแยให้หันเหออกจากความหวังของเขาแต่เราก็ทรงทำลายล้างสิ่งที่ชัยตอนยุยแย แล้วเราก็ส่งทำให้องค์การทั้งหลายของพระองค์มั่นคงและเราส่งรอบรู้ส่งปริชายะพว่อพ وا ระองค์จะส่งทำให้สิ่งที่ชัยตอนยูยแยกเป็นการทดสอบ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 ال ه ه ه ه และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นก็ยังคงอยู่ในการสงสัยต่ออัลกุรอานจนกระทั่งวันอวสานเกิดขึ้นแก่พวกเขาโดยเฉียพลันหรือการลงโทษแห่งวันกียมาจะเกิดขึนข้นแก่พวกเขา อัลมุลกุยูมอดลิลับน و م بينهم ي َ و ا وعملوا ل ص ل ّ ي อัลลกุยูมอิรงลลิลลาฮิยับ قوم بينهم فالذين آمَنوا وعملوا الصالحات في جنّاتٍ ลมุลกมอิดลาฮับ ق م ا ذ, م ذ آ و ال َ و م ل ّนน อ, อัลมุลกยูมอิดิรรดลลวาลาฮิยับ ق า م بينهم فالذين آ م َัมโลกยูดิลาฮิยงบว و ب ب ي ي ส่วนบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและก็ไม่เชื่อฟังองค์การทั้งหลายของเรานั้นชนเหล่านั้นพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างอัปยส่วนบรดาผู้ที่ปิเสธศัทธาและก็ไม่เชื่อฟังอคกาทั้งหลายของเานั้นชนเหล่านั้นพวกเขาจะรับการลงโทษอย่างอัปย نا, และบรรดาผู้อพยพในทางของอัลลอฮ์และพวกเขาถูกฆ่าหรือตายแน่นอนอัลละฮ์จะทรงประธานปัจจัยอย่างชื่อที่ดีให้แก่พวกเขาและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่ดีเลิศแห่งผู้ประธาน พระองค์จะส่งให้พวกเขาเข้าไปในสถานที่ที่พวกเขาพอใจคือสวนสวรรค์ แต่แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงคันติเช่นนั้นแหละผู้ใดโต้อตอบเยี่ยงที่พวกเขาถูกรังแกแล้วเขาก็ยังถูกกลมเหงอีกอัลลอฮ์จะทรงช่วยเหลือเขาอย่างแน่นอน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 แต่แท้จริงอัลลอฮ์คือผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นด้วยนั้นอัลลอฮ์ผู้เปทรงระ้งนวยนอัลลอูนผู้ทรงจละเวั้นอัลลอฮ้เงจริงะผทรเนวนั้นลลอฮ์ผู้เป็นผู้ทรงจริงผู้ทรงวันอัลลอฮ์้นรงจริง้งเนวนั้นอัลอฮ์เป็นผทรจและผทงนวั้นลเป็นทจริงและ้รงยัอลลอฮ์ผูนผู้ทรงสูงแลง ขุสงยิงยย่งใหญ่แล้วมันตะเอินอย่าบไรจ้าท่าน ไ, ได้พิจารณาดอกคือว่าถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นส่งให้น้ำหลั่งลงมาจากฟ้าฟ้าแล้วเผ่นดินก็กลายเป็นสีเขียวชุ่ม แท้จริงัล้วเป็นผู้ทรงเมตตาผู้ทรงรอบหูยิง่ง ส, าาลลสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นสิทธิของพระองค์แต่แท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงมั่งคัง่งผู้ทรงได้รับการสรรเสริ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 และนั้นคนหนึ่งคนใดอย่าได้โต้แย้งเจ้าในเรื่องนั้นและเจ้าจงเรียกร้องเคิรชวนไปสู่พระผู้พิบาลของเจ้าถ้าจริงเจ้านั้นอยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรง ok a a หากพวกเขาโต้แย้งเจ้าก็จงกล่าวเถิดว่าอัลลอ์นั้นทรงรับรู้ยิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำอยู่ ล l l a h จะทรงตัดสินระหว่างพวกเจ้าในวันกิยามาในสิ่งที่พวกเจ้าได้ขัดแย้งกันอ l ล m t a ั a น anna Allah ya'lam ma fi al-sama'i wa al-ar' Inna d a ิ i k fi k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 <ير> และพวกเขาก็รบส ก, การะสิ่งยันจากัลล a h ซึ่งพร่งไม่ได้ประทานลงมาให้เป็นหลักฐานและสำหรับพวกเขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้และสำหรับพวกอาธรรมนั้นไม่มีผู้ช่วยเหลือได้ وإذا تُسَلَّعَ عليهم آياتُنَا بِينَتِ تَعْرِفُ في وَجْوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا ا, ا ل, ل م آ ا ا م ْ م ُ ن ك َ ย ا ك คดุนย่ س สูน์บิ้นลِดีนย่าพลูน์อะ ل ย์ห์น่าคุณเอเตอุนับบิอุ د ุบิชรดิมมิไดล์คุมอันน่าว่า ا ะฮ ه อัลลอฮ์ล์ล์ดีนัคทรูและเมื่อองค์การทั้งหลายอันแัดแจ้งก็เรานั้นได้ถูกนำมาอ่านแก่พวกเขา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 يا أيها الناس ضرب م ث ل ف ا س ت م ع و ا له إن الذين تدعون من دون الله ليخلو ا ذ ب ا ب ا ولو ا ج ت م ع و ا له وإيسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب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 พวกมันก็ไม่สามารถจะเอามันกลับคืนมาได้จากมาแรงวันทั้งผู้ขอและผู้ถูกขอช่างอ่อนแอแท้ๆ ق ق วพวกก็ไม่ได้ให้เกียรติอัลลอฮตามที่ควรจะให้เกียรติต่อพระองค์ แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงเดชาอุปาอัลลอฮฺยศัฟีมิลมะลาอิม์กาตุรุสลาวะมินันนัสอินนัลลอฮฺสเนียบัซซิอัลลอฮ์ทรงคัดเลือกบรรดาทูตจากหมู่มลายกาและจากหมู่มนุษย์แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นแอลมุมาบยนาอดีหมวะมาฮฟะหุม พระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเขาและสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของพวกเขาและกิจการทั้งหลายจะถูกนำกลับไปยางมันลอยอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮัลลอฮฺอัลัลลัลฮฺอัลอฮฺัลลอฮฺอัลลอฮฺอัอัล จงหูกลัวจงสุยุตและจงเคารพพักดีต่อพระพู้ิบาลของพวกเจ้าเถิดและจงกระทำความดีหวังว่าพวกเจ้าจะได้รับชัยชนะ م ل ّ أبيكم إبراهيم هو سمّكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكون وتكون شهداء على الناس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 คือศาสนาของอิบราฮีมซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเจ้าพระองค์ทรงเรียกชื่อของพวกเจ้าว่ามุสลิมไว้ในคำพีก่อนๆและในคำภีรนี้เพื่อรอดศูนจะได้เป็นพยานแก่พวกเจ้าและพวกเจ้าจะได้เป็นพยานต่อบวลมนุษย์ดังนั้นพวกเจ้าจงปฏิบัติละหมาดและบริจาคเสียากาศและจงยึดมั่นต่อพระองค์ซึ่งพระองค์เป็นผู้คุ้มครองพวกเจ้า